ต่อจากนี้ไป 16 พฤศจิกายน 2546 ที่พุทธสถานสันติ เมื่อกี้ก็ถามโดยเฉพาะในเถรวาทประเทศไทยเข้าใจโพธิสัตว์เพี้ยนอาตมาว่า ตั้งใจที่จะแต่บรรลุเป็นอริยะไม่ได้เป็นปุถุชนผู้ที่ตั้งตั้ง เข้าใจอาตมาว่าเรื่องนี้โอ้โหไป นะตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องสุดเลยต้องสะสมพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เพราะความเข้าของพระพุทธเจ้าต่างๆมัน เข้าใจผิดว่าเป็นพระอริยะแล้วจะต้องเป็นโสดาสกิทาอนาขาอรหันต์มี 4 อริยะมี 4 แล้วเป็นอะไร ประสูญ เกิดอริยะได้มั้ยไม่เก 7 ชาติก็ต้องบรรลุเป็นอรหันต์แน่บังคับซะด้วย ก็สัจธรรมความๆมันเป็นนามาทําอย่างไรอะไรอย่างไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจถึงอริยสัจน่ะความไม่ มันเป็นไปไม่ได้เลยคนที่จะบรรบําเพ็ญ 7 ชาติแค่อีก 7 ชาติก็ไม่ได้อีก นี่คือความเข้าใจผิดก็เลยเดาส่งไปใหญ่เพราะ พระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ต้องรู้จักศาสนาพุทธอย่างดี ไปอยู่ที่ไหนข้างเคียงที่ไหนก็ไม่รู้พอถึงเวลาวาระจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระโอ้โหสำนวน มันยังไงกันมันเป็นจริงๆแล้วอย่างนี้โพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้มีโพธิไม่ใช่สัตว์ ปรัชญาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มานั่นแหละเป็นก็ได้หรืออริยผลจะเรียกจะอริยผลก็เรียกอะไรและ <c oughs> เขาใช้กันมาอารยะตอนนี้ก็เลยภาษา เอออย่างนี้เค้าเค้าเรียกเรียกอันนั้นซะ ทีนี้อริยะเนี่ยเค้าก็ไม่เอาไปในเมืองได้ไทยนะก็แบ่งอารยะไปใช้ถึงความหมายทั่ว ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีอำนาจๆนานาวิเศษนะเป็นความวิเศษพิเศษ มันเปลี่ยนไปทั้ง 2 คําคําว่าอริยะ อริยะจะหมายความหมายกว้างแต่อริยะนี่จะหมายกันให้มาเดี๋ยวนี้ก็วากันเต็มตลาดหนังสือนี่อริยะนี่เป็นอรหันต์น่ะแหละไม่ มาทําเป็นรูปจิ้งจกแล้วก็ไปเสกปลูกเสกจิ้งจกขลังอ่าจิ้งจกนี่ขี้เกียจๆนานาแม้แต่ที่ เอาอะไรปลัดขิกเอออวัยวะปลัดขิกอวัยวะเพศชายอะไรมาคือมันไปเคยมั่งใครเคย ตัวใหญ่ด้วยนะโรงพยาบาลนี่ตัวใหญ่ด้วยมันโอ้โหตัวใหญ่เสียหรือยังไม่รู้อาตมาก็แล้วท่าน อัตมาดูแล้วก็แหมนายสงสารศาสนานะเก่งในเรื่องนอกรีนอกร้อยอะไรต่างๆนานาอริยะๆก็ได้สําเร็จ วันนึงไม่ใช่น้อยๆบางทีนั่งนุ่งวันนึง 8 ชั่วโมงสะกดนุ่งสบายของท่านไปแล้วก็คิด น้ำที่มันมีตะกอนอะไรมาก็มาพยายามที่จะทําสะกดให้ตะกอนมัน นะศาสนานี้นาสัญญาจิตตนะก็สําเร็จหมดพระพุทธเจ้าก็ผ่านมาท่านไปพอที่ก็เสร็จท่านก็ออกป่าไปพบอาลานาโบดอุทกดาบดรองไปท่านทําสิท่านทํายังไงอ๋ออุทกดาบดอาลานาโบดนั่งมาที่ทําอย่างงี้เหรอได้อรูปฌานขนาด ท่านก็รู้แล้วไม่ต้องเอาท่านพุทธเจ้าหรอกบอกตรงๆเลยไม่ใช่มาอวด ทำได้ท่านก็เสพมันไม่ใช่ท่านก็ อ่าทางทางทางนังที่เค้าเข้าใจกันอยู่ในศาสนาพุทธอาริยะอาตมาก็เลยเอา โดยหมายว่านี่แหละคือผู้ประเสริฐของพระพุทธเจ้าในในยะที่อาตมาเข้าใจอาตมาก็เอามาเรียก เริ่มต้นเป็นโสดาบันนะก็ได้เป็นอริยะเริ่มต้นพอมีภูมิของตนเองมี 5 สลึงแล้วไปทําทานไปแจกคนอื่นมันก็น้อย 2 สลึงแล้วมี 5 สลึง 2 สลึง น่าไปสอนคนอื่นได้โพธิสัตว์นี่มีนายะที่คนเข้าใจอยู่อันนึง เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นส่วนอริยะหรืออรหัตผลนั้นเป็นคุณประโยชน์ส่วนตัวแบ่งกันอย่างเงี้ยนิยามกันอย่าง โปรดคนอื่นได้ก็เป็น อ่าบอกว่าเป็นโพธิสัตว์ต้องเป็นอรหันต์ คุณลักษณะที่ได้ถอนอาสวะสิ้นในกิเลสหน่วยใดข้อใดเรื่องใดก็ได้เพราะนั้นเป็นโสดาบันเนี่ยตั้ง กิเลสมันไปติดๆกิเลสมันไปติดจริงๆๆแต่ยังไม่ปิดอบายท่านได้มรรคได้ผลของการลดละกิเลสที่เราไปติดอยู่จริง คนเนี่ยเราติดอันๆอ่ะสมมุติว่าเราติดเราติดหมดเลยติดเหล้าปฏิบัติจิตตัวเหล้า จนกระทั่งคุณถอนอาสวะสิ้นในเรื่องของติดเหล้าคุณก็เป็นผลคุณก็ กิจจยานกตยานมีญาณที่จะตรวจสอบเลยว่าอ่ามีเสร็จแล้วกตมีปัญญารู้ว่าเออมันแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วมั่นใจแท้แค่ไหนเท่าไหร่ ฝ่ายเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้จริงแท้เพราะๆคุณก็เป็นโสดามันสูงขึ้นคุณถอนอาสวะอันใดมันก็เป็น คุณได้อันนี้คุณก็ไปสอนได้ มันแล้วแต่มันมีโอ้ขี้เกียจนี่ขนาดอาตมาๆที่มันมันก็ไม่ คุณไม่รู้ตัวเองนะคือตัวขี้เกียจมันเป็นลักษณะไงไม่รู้ แล้วก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราจะ กิเลสราคะกิเลสโทสะมันจับจ้าแรงๆเนี่ยเอ๊ะเป็นพระอริยะหรือเป็นคนประเสริฐมันไม่น่าจะมีกิลาคะ โสดโทษ 3 ให้จัดจ้านเป็นโสดาบันแล้วอย่าว่าแต่ต้องฆ่าคนเลย อย่างเป็นจริงนะไม่เป็นจริงมันก็พูดเล่นเท่านั้นเองใจมันเป็นจริงเลยนะใจมันเกิดใหม่ศีลข้อ 5 นี่สบายไม่ฆ่าสัตว์เด็ดสัตว์ไม่ได้ฆ่าเรามีเมตตาอ่าแต่ก็มีความโกรธอยู่แต่โกรธไม่แรงโกรธแรงถึงฆ่าน่ะไม่ใช่โสดาน่ะโกรธแรง น่าตรวจสอบแล้วเอ๊ะเราโสดาบันตั้งแต่แล้วเออใช่นะเราก็จะได้เข้า 5 ก็เป็นเครื่องเป็นโสดาปัตติยังคเป็นองค์แห่งความเป็นเป็นโสดาบันก็ 5 นะด้วยแล้วก็ตรวจสอบความโลภราคะหรือความโกรธมันรุนแรงความมันก็ โสดาบันก็ตื่นเป็นผู้รู้พอสมควรแล้วไอ้ที่มอมเมาจัดจ้านอะไรต่อ โลภหรือราคะก็ต้องน้อยลงไปส่วนนึงแน่นอนอโทสะก็ต้องลดไปส่วนนึงแน่นอนอย่างที่อาตมายก คนมันยิ่งสูงกว่าสัตว์เนี่ยชาวโซรแม้แต่โทสะมีก็มีไปแค่นั้นแหละอย่างเก่งก็ปากหอกกันสัตว์ก็ กันมีครั้ง 2 ครั้งแล้วไงอ่าโดนตบแมะพวกเรานี่มันขึ้นยังไงแต่เป็นคนไม่น่ะหรอกเป็นคนก็เรา มันสุดมันพ้นกี่จํากัดแล้วมันก็เลยละเมิดละเมิดก็เล่นซะพัว 20 30 ปีอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเป็นบ้างใช่มั้ยมันมี เป็นสังคมทองโสดาบันหรือเป็นสังคมชัดๆโลภะก็ไม่รุนแรงราคะก็ไม่สารเพพวกเราก็ยังไม่งมงายไม่ไปหลงติดอะไรๆคุณเอ้ยไม่ ประเทศอื่นๆเอ่อดูเหมือนจะโทรทัศน์จําไม่แม่นอีกแล้วไม่ได้ แต่ก่อนเปิดให้คนเดินอาบแดดแก้ผ้ากันทรงๆได้เค้าออกกฎหมายมาไม่แก้ผ้ามาตั้งหลายปีเลยนะ แกพากันโตงๆเมืองไทยเรายังไม่ถึงขั้นนั้น อาตมาก็เลยคิดว่าอาตมานี่จะต้องเขียนหนังสือเรื่องศิลปะศิลปะหมายความว่า ทีนี้ก็จะแบ่งศิลปะอย่างไรอาตมายกตัวเลยคุณจะเปลือยคุณจะแกะผ้าอย่างไรให้คนดูเนี่ยโดยที่มันไม่เกิดกิเลสนั่นแหละเป็นศิลปะแกะผ้ามา ไม่ว่าจะภาพเขียนแม้แต่ภาพถ่ายแม้แต่อะไรก็แล้วแต่คุณแสดงออกเนี่ยป๊อปๆเปลือยเนี่ย แกเขียนงานงามมึงแกเนี่ยเบี้ยวไปเลยนมก็บิดปากก็เบี้ยวเอาไว้ว่าเผ็ดก็ อันอุดมแต่มันไม่สงบแล้วมันขึ้นๆๆๆนี่ๆยกตัวอย่างขีดรูปโปรูปเปลือยรูปนู้ดอะไรคุณก็เขียนกูจะ คนดูแล้วกิเลสลดอย่างนี้เป็น เถียงกันเค้าเถียงกันค่อนข้างคลุมครัวละพออาตมาไม่อยากพูดมากเค้าเถียงเค้ามีเหตุผลเหมือนสาระของโสดาบันโลภน้อยราคะน้อยโทสะน้อยโมหะน้อยลงไปในระดับนึงจนกิเลสลดจริงซึ่งอาตมาขยาย วิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิดิษฐานุปัสสีเห็นกิเลสนี่เราทําให้มันจางคลายมันมากอ่อนลงอ่อนลงยังไม่หมดนะเราก็รู้ว่ายังไม่อ่ามีวิชชามีวิปัสสนา ISJETO Pariy boutural YAN ยา Wheel pot supply สามารถรู้เลยกิเหล것 Arrival they racked มันลงไปมากแล้วนี่ย bright out of僕 bleut reverse สมหิวน Liz facade pert an analysis ofường somerets tracks gr intens Motherтральных noires free pard supporter 게istar is 100% of our kanina2d Tylenikonid Kimura noires keep milagina planet. sadu advis language is 100% of it possible the bad practical, getting a glass building because they can แล้วก็วิมุตติแท้จริงเลยอะไรงี้เป็นต้นต้องอ่านเป็นจริงๆไม่ใช่ว่างมงายไม่ใช่ว่าไม่<อง> จับอะไรผิดรูปนามมาทําก็ตามนะศาสนาพุทธเราเนี่ยชัดเจนอย่างนี้ถึงเป็นศาสนาที่จริงๆอบายภูมิ ดับได้เราดับได้สนิทเป็นโสดาบันซึ่งจะเหลือกิเลสก็มีเหมือนอย่างโลกเขา กับพยบาทหรือปฏิฆะก็ไม่ใช่ขอพยบาทขออภัยหรือเถียงกันว่าอันนึงว่าปฏิฆะอันนึงว่าพยบาทแล้วก็เถียงกันปฏิฆะอีกคนนึงก็เถียงว่าปฏิฆะไม่ มันถูกทั้งคู่มันไม่ผิดทั้งคู่ก็เถียงกันว่าของของคนอื่นของคนนั้นผิด สกิทาก็ได้หรือสกทภาก็ได้สกทภาคามีหรือสกิทาคามีก็มาเรียนรู้กิเลสส่วนนี้ ถ้าผัวมันเสียเอาเมียมันมาโอ๊ยไม่มีคดีอย่างเงี้ยเอ่อธนรงค์ทนายตกงานถ้าจะมีมีคดีมันว่า ไซโคทไซโครไซโทสมุนโทสะสมุนคือลักษณะพยาบาทนี่เป็นหรือกุหนาเป็นกุหนาเอ้ยอุปนา แล้วโกรธะอุปนาหะน่ะไม่ใช่แม้อาตมาอุปนาหะน่ะเป็นลักษณะความโกรธที่มีลักษณะผูกไว้โกรธะนี่ลักษณะเดียว ส่วนพยาบาทหรืออุปนาหะมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งกันไป โกรธแต่ไม่ผูกไม่อุปนาหะนะไม่ผูกหรือไม่พยาบาทนะมันมีลักษณะ มาแย่งเงินแย่งทองแย่งข้าวแย่งของแย่งยศแย่งศักดิ์พวกเนี้ยยังอยู่ในระดับ จิตก็ไม่ผูกพันจิตก็ไม่ติดยึด เพราะฉะนั้นไม่ฝันถึงเงินต่อไปไม่ระลึกรู้ได้แล้วล้างได้เพราะบ้านช่องเรือนฌานทรัพย์สริงคารเรื่องราคะหมด ที่นาที่ดินที่ไร่เรื่องคนลูกเราเมียเราไม่มีเออไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ไม่ผลักไม่ดูดอะไรมันอนาคามีนี่จะเหลือเศษธุลี รูปราคะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงโอรัมภาคิยสังโยชน์มานะอุทธัจจะอวิชชา มันรูปราคะรูปราคะนี่มันจะน้อยมันจะอ่อนมันมีเหมือนพลังลีลีนมองอะไรก็ ค่อยๆเสื่อมไปเองปล่อยให้เสื่อมไปเองก็ได้อย่างพระอนาคามีไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ไป สิ้นเองได้น่ะไปตามวาระเวลาเพราะว่ามันหมดแรงแล้วมันอ่อนทุกอย่างมันก็อ่อนมานะก็อ่อนอุทธัจจะก็เป็นทุลีละอองอยู่เท่านั้นได้พระเจ้าถึงบอกว่าไม่เอาวิชชารูปวิชชามานะ ตามรู้ส่วนเหลือเท่านี้ทั้งหมดสุดท้ายรู้แล้วก็รู้ว่ามันหมดด้วยทําให้หมดรูปราคะ ก็มาขยายแล้วเป็นอริยะระดับ 1 เลยเนี่ยอย่ามาเป็นโพธิสัตว์อย่ามาเรียกว่าโพธิสัตว์สับใต้ตนพูดได้แต่ก็ ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรไปถามก็ได้ไม่แบบธรรมดาสามัญโลกิยะไม่ต้องมาเป็นศาสนาไม่ต้องมาเป็นพระก็สอน ศาสนาหรือว่าคุณธรรมต่างๆก็มีอยู่เป็นของ มันดับก็รู้ว่าดับได้จริงจึงจะชัดเจนจึงจะเห็นว่าได้อริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งแจกยิ่ง แต่ทรัพย์ทั้งแจกเท่าไหร่จะมีเท่าไหร่ก็หมดแจกขึ้นแจก ใบสอนมา โสดาส่วนโสดาที่ไม่มีความอยากจะตัดสรุปเป็นพุทธเจ้าก็เป็นแค่พระอริยะไม่ใช่พระโพธิสัตว์ใช่หรือไม่ถ้าทําหน้าที่รื้อหรือจะเรียกหรืออรหัตอรหันเนี่ยคืออริยะคุณทั้งอรหัน พระท่านจะบอกว่าพระโสดาบันถ้าไม่ตั้งใจจะเป็น อย่าไปอวดหรือจะไปแสดงหรือจะไปทําอะไรมันเกินสิ่งที่ตนเองเป็นมีตนเองเป็นตนเองมีนะโสดาบัน มันเพ้อสอนไปแล้วอวดดีไปแล้วเค้ามาลองของอะไรขึ้นนะบัดเพราะอย่าไปประมาทนะอ่าเพราะงั้นก็กำชับกำชาร์กันหรือว่าย้ำกันลงไปว่าโสดาบันนั้นถ้า ถ้ามันสอนคนไม่ได้เรื่องแล้วก็อย่าไปบอกจะไปอวดจะไปหลงก็แล้วไปหลงพระโสดาก็ไม่ใช่สกิทาก็ นอกนอกนอกทะเบียนนะเดี๋ยวว่านอกแต่ถ้าในทะเบียนนี่ท่านเอาตาม เก่งของวินัยนี่เท่านั้นเองคุณก็ไม่ไปโกหกเล่นไปตลกตะแล้งเล่นหรือไปสูงระดับโลกุตตรธรรม นะจะว่าบาปไม่บาปเป็นคฤหัสถ์ก็บาปเป็นภิกษุสมณะ ตัวเดียวกันเลยเล่นอุตริมุนุตตัมอันเดียวกันเลยก็บาปเหมือนกันนะเป็นแต่เพียงวินัยไม่ได้ติดคุกแยกกัน อ่าทางด้านมหายานโอ้นับถือพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มาช่วยด้วยนับถือพระโพธิสัตว์ถือว่าพระโพธิสัตว์นี่อยู่ บทที่ช่วยเราก็คือของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระพุทธศาสน์เนี่ยพระพุทธศาสน์ยิ่งพระพุทธศาสน์มหาสัตย์ยิ่งสูงยังยังจะมีอยู่พระพุทธศาสน์ก็คือ พระโพธิสัตว์นี่คือผู้ยังไม่ปรินิพพานแน่นอนและมีสิทธิ์ตั้งแต่เป็นอรหันต์หรือโสดาบันไป ส่วนกิเลสของคนอื่นกิเลสอย่างอื่นมีหลากหลายเหมือนใบไม้ทั้งป่า 2 mm. กรรม 3 กรรม 4 กรรมก็ยิ่งดีสิ เขาจะพบได้จะช่วยเหลือเขาได้เขาจึงนับไม่ได้แล้ว โพธิสัตว์แม้จะเป็นพรเสทในระดับโสดาบันอยู่ได้กันก็คือคนที่มีอรหัตตผลหรือมีอริยนะเพราะ จิตลึกกิเลสมันเหมือนกันอันเดียวกันอยู่ นี่เป็นภาวะที่ลึกซึ้งที่สุดเลยในศาสนาอื่นใดไม่มี กิเลสสอนไม่เกิดอุปกิเลสสอนไม่จําแต่มันเป็นความจริงแล้วก็จบไปในตัวเพราะฉะนั้นจะเห็นคุณไม่มันนั่งทําอะไรมีแต่ใจ กับตะเวทีทดแทนบุญดีอันนี้ก็สอนศาสนาไหนก็สอนเหมือนกันจริงๆเถอะ จะทําอะไรมันก็มีมาได้จริงๆอาตมาก็ได้แต่พูดด้วย เป็นสลัดที่ย้อนคืนมีมีอยู่ก็ไม่มีให้ดูอีกทีไปมีดูอีกแล้วมันจะ เราอยู่กับมันไม่ติดมันอยู่กับมันไม่ติดมันเพราะเราต้องต้องทวนไปทวนมาเพราะงั้นทําไมต้องกลับก็อ่าจะทําลายลงไป อันนี้เป็นของประโยชน์ส่วนกลางให้เค้าทําจิตคุณก็ลั่นสะอาดไม่ติดมา ถ้าไม่มีก็ใช้เท่าที่มันมีอะไรมันมีก็ใช้เท่านั้นไปบางคนเหล่านี้เป็นซั้นเป็นๆก็ เป็นคนมีทิศทางอย่างโสดาบันขึ้นไปนี่จะรู้เป็นองค์รวมเป็นเอกโธมโมเป็นธรรมะอัน เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพมันจึงไปได้ มันมันได้ดีมันมายึดเดียวมากมันมีดีมันก็มาจริงจังไอ้คนที่มีแถมมีความสามารถมีความฉลาดอะไร คนที่ไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จะดีซะ <laughs> <laughs> พิสูจน์ได้ถึงวันนี้แล้วอาตมานําพา 30 ปีนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนเพราะมันมีเป 1 เป็นเอกภาพข้างน้อยเนี่ย มันไม่มากเท่าไหร่แต่มันแน่นอันนี้มันเป็นคุณลักษณะแท้ของธรรมะพระพุทธเจ้ามันแน่นมันรวมกัน อืออาตมาภาคภูมิในธรรมะอันนี้ทําไมยุคนี้อาตมาก็ขอพูดก่อนจบเลยเอ่อทําไมถึง ก็เป็นสังคมทาสคนก็ล่าคนมาเป็นทาสเอาคนมาใช้งานแรงงานเพื่อประโยชน์ทุนนิยมแบบนั้นทุนนิยมแบบใช้แรงงานของ แตกกระไรตะกันไม่รู้จักสิทธิอย่างสมบูรณ์แต เพราะฉะนั้นยุคนี้จึงทําได้สาธารณประโยชน์ตําราคุณมาทํางานฟรีทุกคุณสิทธิ สังคมเป็นโอ้โหวิเศษและเป็นรูปแบบที่บุญนิยมแบบศาสนภคีเนี่ยจะยิ่ง Luan ta,